ในพรรษาที่รู้แจ้งคณนดูว่าเป็นช่วงที่ท่านจะจำพรรษาติดต่อกันระหว่างกรุงเทพกับประเทศพมา่าจนจะเข้าพรรษาท่านพระอาจารย์พิจารณาได้ความว่าเราควรหลีกออกจากหมู่ไปอยู่รูปเดียวพิจารณาได้ที่ทำสาริกาจังหวัดนครนายก จึงออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ถ้ำสาริกานครนายกเมื่อถึงแล้วได้ถามชาวบ้านแถวนั้นซึ่งเป็นชาวโคราชมาทำไร่ตั้งบ้านอยู่ชื่อว่าบ้านหัวอีเห็นบ้านเรือนยังไม่มีมีแต่ป่าไม่เหมือนทุกวันนี้บอกความประสงค์ที่จะจำพรรษาที่ถ้านี้ชาวบ้านก็ยินดีว่าจะได้ทําบุญกับท่าน แต่ชาวบ้านถามว่าท่านพระอาจารย์จะอยู่ได้ไหมปีที่แลมีพระมาจำพรรษาสี่รูปยังไม่พน้นพรรษาตายคาถ้ำสองรูปออกไปตายข้างนอกอีกสองรูปท่านพระอาจารย์บอกว่าไหนไหนก็รอนแรมจากกรุงเทพมาไกลจนจะเข้าพรรษาแล้วลองดูจะตายเป็นองค์ที่ห้าก็จำเป็นชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นี่คือคนไทยอยู่ป่าอยู่บ้านมีแต่บุญกับบุญสมกับมีพระพุทธเจ้าเป็นบนรรพบุรุษจริงๆพอเข้าพรรษาได้สามวั น, วนก็ได้เรื่องทีเดียวจิตใจฟุ้งซ่านกายรำคาญเต็มไปด้วยความวิตกนาน า, นาประการล้วนแต่หาสาระไม่ได้ทั้งนั้นทาตพิการอาหารไม่ย่อยฉันข้าวข้าโพดเข้าไปถ่ายเป็นมเมล็ดออกมา ไม่เป็นอันหลับอันนอนพิจารณาทบทวนไปมาเลยคิดได้ว่าลองไม่ฉันดีกว่าบอกชาวบ้านว่าถ้าไม่เห็นอัตมาลงไปบินทะบาทอย่าขึ้นมานะชาวบ้านพาซื่อไม่ขึ้นมาจริงๆบอกว่าถ้าถึงเจ็ดวันไม่เห็นลงไปบินทะบาทขึ้นมาเอาไฟมาด้วยจะได้เผากันท่านว่าอย่างนี้เลย แล้วก็ไม่มีการพักผ่อนกันเลยหลักท่านพระอาจารย์เดินจงกรมพิจารณากำหนดจิตอยู่ในร่างกายนี้พอสมควรแล้วก็นั่งสมาธิความมิตกังวลทับถมเข้ามาร่างกายเจ็บปวดเวทนาทั้งแสบทั้งร้อนสารพัดเกี่ยวขาสารพัดเกี่ยวแข้งท่านว่าพอคิดขึ้นได้ว่าจะเป็นตายร้ายดีก็ให้ตัดสินกันวันนี้ เมื่อลงใจได้เช่นนี้พิจารณากำหนดอยู่ในร่างกายไม่ถอยจิตก็รวมใหญ่ปรากฏว่าร่างนี้พังไปเลยเกิดไฟเผาไหม้เป็นเท่าฐานจมหายไปในแผ่นดินเกิดความรู้ขึ้นมาเหมือนครั้งอยู่วัดเลียบและที่กรุงเทพซ้ำขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สามเวทนาและความวิตกกังวลทั้งหลายหายหมดสิน้นเหลือแต่ปีติสุข และเอกคตาเกิดความรู้แปลกประหลาดขึ้นมาเป็นบาทคถาบาลีว่าสุตตาวะโตจัโคพิกเวอสุตตาวะตาปะทุเชเนนาปีภะความูลกโนพันเตภะควังเนติกาภะควังปฏิสารณาความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุโยคาวจรเจ้า ผู้ได้ศึกษามาก็ดีพิสษุโยคาวะจรเจ้าที่ไม่ได้ศึกษาเพราะความที่ตนเป็นผูถุชนคนหนาก็ดีให้เอาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นมูลเหตุเอาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเนติแบบฉบับเอาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งที่อาศัยเสมอด้วยชีวิตเพราะเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แม้แต่พระตถาคตเจ้า ก็ได้กระทบกระทั่งมาแล้วอย่างแสนสาหัสชื่อคถานี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยท่านพระอาจารย์ว่าท่านพระอาจารย์นั่งทาสมาธิอยู่ในถ้ำนั้นหันหน้าออกข้างนอกจิตใจเบิกบานแจ่มใสด้วยปีติปราโมทย์ในธรรมขณะนั้นมีลิงแม่ลูกสองตัวอยู่ข้างนอก แม่เข้ามาส่องดูท่านกลับไปแล้วกลับมาสองงสามครั้งท่านพระอาจารย์กำหนดพิจารณาดูว่าลิงสองแม่ลูกมันทาอะไรรู้ขึ้นมาในใจว่าลิงแม่มาดูเราแล้วไปพูดกับลูกว่าพระท่านมาจำศีลอยู่ที่นี่ท่านจึงนึกว่าลิงมันก็รู้จักศีลแต่รักษาศีลไม่เป็น องประกอบไม่พร้อมเหมือนมนุษย์จึงรักษาศีลไม่ได้เลยน้อมเข้ามาหาตัวว่าเรารักษาศีล ร, รู้จักศีลแล้วหรือพอตกตอนบ่ายท่านลุกขึ้นทำความสะอาดปัดกวาดบริเวณพลานหินหน้าถ้ำสติสัมปชัญญะและปีติปราโมทพร้อมตลอดเวลาขณะนั้นฝูงปลวกดำไต่ขึ้นมาบนแผ่นหินหน้าถ้ำ ท่านพระอาจารย์กวาดไปถึงค่อยๆพูดว่าหนีเน่สูกูจะกวาดวัดไปถูกต้องตัวเข้าอย่าหาว่าเบียดเบียนคนหน้าปลวกพูดขึ้นว่าหนีเถอะพวกเรานี่วัดธรรมยุทธ์ท่านแล้วพากนันหนีไปท่านคิดในใจว่าพวกปลวกมันยังรู้ว่าเราเป็นพระธรรมยุทธ์แล้วเราละ่ะรู้จักธรรมยุทธหรือยัง พิจารณาได้ความว่าธรรมยุตคือยุติธรรมคือความถูกต้องเป็นธรรมนั่นเองท่านพระอาจารย์กำหนดไปพิจารณาไปทากิจวัตรไปเกิดน้ำตาไหลเหมือนร้องไห้เอ๊ะนี่เราไม่ได้เจ็บปวดหรือเศร้าโศกทำไมน้ำตาไหลได้ความว่ากําลังปีติที่ตามระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางศาสนาไว้ให้เราได้ปฏิบัติเป็นพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่พระอาราหันตสาวกและพระสาวกที่ประพฤติปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงตัวเราก็ด้วยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่นี้องค์พระมหากษัตริย์ของไทยได้ทรงยกย่องพระพุทธศาสนาทุปพระองค์เป็นเอกอัครราชานูปถัมภ์ เป็นพระมหากรุณาอันสูงส่งประมาณมิได้เพราะว่าด้วยพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่จะทำลายศาสนาก็ได้จะยกย่องศาสนาก็ได้แต่พระองค์มิได้ทำลายมีแต่ยกย่องจึงเป็นพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ท่านว่าเช่นนี้ตกตอนเย็นฝูงนกทั้งหลายที่อาศัยนอนบนต้นไม้ เวลาใกล้คำ่ำกลับจากหากินส่งเสียงร้องเจียวเจ้าระงมไปหมดท่านพระอาจารย์กําหนดพิจารณาว่านกมันว่าอะไรได้ความว่าวันนี้พวกเราไปหากินอิ่มไหมมีอันตรายจากมนุษย์และสัตว์มีอำนาจมีเหวี่ยวเป็นต้นทําอันตรายไหมมาครบกันไหมทํานองนั้นส่วนตอนเช้าก็พูดกันว่าวันนี้พวกเราจะไปทางไหน แบ่งกันไปกี่พวกทํานองนั้นท่านพระอาจารย์พักผ่อนไม่ฉันอาหารสองสามวันทั้งร่างกายและจิตใจสงบเป็นปกติเที่ยวบินทบาททุกวันจนออกพรรษาชาวบ้านชมว่าเก่งจริงไม่ตายปวารณาพรรษาแล้วบอกลาชาวบ้านจะกลับกรุงเทพ ชาวบ้านถึงเขาจะยากจนยังมีผ้าจำนวนพรรษาและปัจจัยมาถวายพร้อมพืชไร่มีฟักทองถั่วข้าวโพดตามมีตามเกิดด้วยจิตศรัทธาด้วยความอาลัยอาวร์เพราะร่วมสุขทุกข์กันมาตลอดสามเดือนนี่หละหนอโลกท่านว่าท่านได้พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำสาริกาแล้วได้ความว่า พู้ประภูมิเจ้าที่ที่อาราขาถ้ำอยู่เขาทดลองว่าจะเป็นพระมีศีลไหมถ้าไม่เก่งจริงต้องตายแน่เหมือนพระสีรูปที่ตายคาถ้มสองรูปกระเสือกกระสนออกไปตายข้างนอกอีกสองรูปตั้งใจไว้ว่าตนจะเอาดีด้วยการอดอาหารแต่พอหิวก็พากันไปเก็บผลไม้ป่ามาบริโภคคือกล้วยเห็นกล้วยป่าสุกเป็นการทาลายศีล รากผีชะครามฉันอาหารที่ไม่ได้ประเคนบริโภคอาหารในเวลาวิการให้ลวงลําคอเข้าไปพวกนั้นก็ลงโทษท่านเล่าต่อว่าหลังออกพรรษาได้ส4มสี่วันกำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพมีทหารมหาดเล็กสี่คนหามเสลียงมาพากันขึ้นมากราบท่านขอนิมนท่านกลับกรุงเทพเพื่อร่วมรับกระถินวัดปทุมวานาราม ท่านพระอาจารย์จึงเก็บบริขารกราบน้ำมศ ก, การพระพุทธรูปอัมลาเทภารักษ์และชาวบ้านออกเดินทางจะพักแรมกันที่ไหนบ้างผู้เล่าก็ไม่ได้ถามท่านพระอาจารย์เล่าแต่ว่าพักแรมสามวันก็ถึงกรุงเทพในปีนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชทานผาพระกระถินที่วัดประทุมวนาราม ได้มีรับสั่งแกเ่เจ้าคุณพระปัญญาพิสารเทระหนูทิตาปัญโยเจ้าอาวาสในขณนะนั้นว่าประสังกัดวัดประทุมจำพรรษาอยู่ที่ใดขอนีมนมาให้หมดท่านเจ้าคุณถวายพระพรว่าคุณมั่นเธอจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำสาวิกาก็ทรงรับสั่งว่าไม่เป็นไรจะให้มหาเล็กไปรับเอง เมื่อวันกฐินมาถึงเสร็จพิธีแล้วมีการออกสลากวัดโดยพระมาท ส, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานคล้ายกับว่าทรงทำเป็นกรณีพิเศษร่วมกับข้าราชการบริพารของนำมาจับสลากตามแต่ศรัทธาสิ่งที่ทรงนำมาออกสลากเป็นตะเกียงลานสองอันน่าประหลาดที่จับสลากทั้งสองครั้งตะเกียงลานก็ได้แก่ทั้งพระอาจารย์มั่นทั้งสองครั้ง จึงได้พระราชทานแก่พระอาจารย์ด้วยพระหัตพร้อมทั้งตรัสว่าคุณมั่นเธออยู่ป่ามีแสงสว่างน้อยเราขอให้แสงสว่างแด่เธอนี่คือความเป็นมาของเรื่องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเสลียงไปรับท่านพระอาจารย์จากนครนายกกลับมารับกฐินหลวงแต่ท่านพระอาจารย์ไม่ขึ้นนั่งเสลียงออกแต่บริคารวางไว แล้วก็เดินกลับมากับมหาเล็กจนถึงกรุงเทพดังกล่าว